หลังโรงเรียนที่ผมเป็นครูประจำชั้นป .4 ของโรงเรียนวัดเลยกำแพงวัดซึ่งห่างจากตัวอาคารโรงเรียนประมาณ3วาก็เป็นถนนลูกรังขนาดรถวิ่งได้คันเดียวซึ่งคงเป็นเชิงเทินของกำแพงเมืองเก่าถัดจากถนนมูลดินสูงขึ้นไปยังมีเศษอิฐโบราณเป็นดินเผาก้อนใหญ่ลงเลือให้เห็นมูลดินเหล่านี้ก็คือสร้าง ก, กาแพงที่ไร้ความหมายสาหรับทุกคนในวันนี้ ในอดีตกำแพงคือประการป้องกันน้ำเข้าเมืองประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือแนวต้านท่าศึกจากภายนอกแน่นอนว่าผู้คนที่เอาชีวิตมาสังเวยในอดีต ท, ทั้งภายในและนอกกำแพงย่อมตายทับถมซับซ้อนนับแต่มีความเป็นใหญ่แย่งชิงการครอบครองต้องการอำนาจ เมื่อครั้งกำแพงมีความสำคัญแต่เมื่อการเวลาผ่านพ้นไปสงครามเปลี่ยนไปตามโลกกำแพงเมืองก็เหมือนหลายสิ่งในโลกที่หมดความสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่หมดชนิดที่ว่าอาจจะกล่าวได้ว่าไม่เห็นความสำคัญใดๆอีกเลย และไม่เพียงเท่านั้นการลบหลู่ดูหมิ่นในรูปการบุกรุกหรือว่ารุกล้ำการปรับปราบเพื่อทําประโยชน์ให้กับตนเองอย่างกล้ากระทํทาทั้งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และก็เป็นป่าช้าของบรรพบุรุษสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดบางแห่งสร้างขึ้นด้วยการปรับกําแพงเมืองเก่าให้ราบที่ส่วนนี้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่มีการ ข, ข่มขืนแล้วก็คาบสวนสาธารณะแห่งนี้อยู่ใกล้กับเรือนจําจังหวัด เมื่อปรับที่แล้วทำส่วนหย่อมทำทางเดินลงไปสู่เรือแพในคูเมืองจริงอยู่ที่มันสวยผู้คนชอบเข้าไปพักผ่อนหนุ่มสาวชอบใช้เป็นสถานที่พลอดรักเพราะว่ามันเงียบแล้วก็ไฟสลัวเช่นเดียวกับพวกขี้ยาขี้เหล้าก็ชอบบรรยากาศอึมครึมลี้ลับเช่นกันความมืดความเงียบสงบแล้วก็ความสวยงามก่อให้เกิดอารมณ์รักได้แต่ก็เกิดอารมณ์ร้ายกาจได้เช่นกัน แม้จะมีตำรวจมาคอยตรวจตราแต่ว่าจะมีตำรวจที่ไหนไม่เผอเรอและก็มีคนร้ายที่ไหนไม่รู้ทันตำรวจบ้างการข่มขืนจุดคราดาลากหญิงสาวค่าฝ่ายชายลากขึ้นไปที่รกต่อเนื่องแนวเดียวกันของกำแพงซึ่งยังไม่ถูกทำลายแต่ว่าขาดการดูแลรักษามันก็เลยเหมือนกับป่าของเมือง ที่นั่นหากผู้หญิงโชคร้ายถูกลากไปลงนรกเพียงคนชาติชั่วทำร้ายร่างกายและจิตใ จ, จ ย, ยังกรุณาอยู่บ้างก็ยังเหลือชีวิตเหลือซากให้รอดมาได้พร้อมกับบาดแผลในใจไปช่วยชีวิตเชื่อกันว่าการสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้สร้างบนป่าช้าของนักรบผลก็คือมันไม่ใช่สวนเพื่อความสุขสำราญแต่ว่ามันกลายเป็นป่าช้าของคนบางคนด้วยอาถรรพ์ของกาแพงเมืองนั่นเอง ประตูเมืองมี4ี่ประตูตามทิศแล้วก็ยึดแนวตะวันขึ้นเป็นประตูชายตามความเชื่อของคนไทยที่ยึดตะวันขึ้นแล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศมงคลกลายเป็นว่าประตูด้านตะวันออกถูกปรับเป็นลานจอดรถของตลาดสดแล้วก็มีการสร้างอาคารพาณิชย์คล่อมติดกำแพงมีส่วมสาธารณะแล้วในอาคารพาณิชย์เหล่านั้นละ่ะไม่มีห้องน้าหรือห้องซ้วมหรือตลาดแห่งนี้มีเรื่องบ่อยที่สุดมีคนบ้าและคนติดยา ม, มากที่สุด รถชนรถหายก็เกิดบ่อยครั้งอาจจะมองว่าเมืองไทยก็เป็นเช่นนี้เรามักจะมองกันเช่นนั้นแต่ว่าความจริงก็คือภาพรวมของบ้านเมืองกําลังฟอนเฟะเพราะคําสาปแช่งคนเท่าคนแก่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยน่าประหลาดมากนะคะที่วัยรุ่นหลายสิบรุ่นมาแล้วในหมู่บ้านที่ใกล้กําแพงเมืองติดยาเสพติดเรียงรุ่นกันมากกว่า 90% เอร์ซอย่างหน้าพิศวงซึ่งก็ได้แต่กังขาว่าเป็นไปได้อย่างไร ที่เชิงเทินหรือบนกำแพงเมืองเก่าด้านทิศเหนือด้านทิศตะวันตกตรงข้ามกับส่วนสาธารณะตรงนั้นแม้จะไม่ถูกปรับจนราบเสมอพื้นล่างแต่ก็ปรับแต่งจนเป็นลานโล่งกว้างค่ะพวกพ่อค้าหมูที่มาจากเมืองอื่นก็มักจะแวะมาพักพิงบนนั้นเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กำแพงก็ถือว่าเป็นที่ของตัวก็เอาประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากตรงนั้นรู้กันนะคะว่าลูกของครอบครัวนั้นเป็นคนที่เกิดมาพิการเหมือนกบ หลายคนนี่ไม่เอาทานติดยาบ้างเป็นโจรบ้างที่สุดก็ถูกยิงตายไปสองคนอีกบ้านหนึ่งนะคะพ่อเนี่ยนั่งเป็นบ้าเคาะกระทะทําเป็นเสียงดนตรีเก็บตัวอยู่ในห้องมืดที่ปิดประตูแล้วก็หน้าต่างลูกชายคนโตเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลก็ไปตายในกองเพลิงลูกชายอีกสองคนริเป็นขโมยตั้งแต่เริ่มรุ่นก็ไปตายอยู่ในคุก อีกบ้านหนึ่งค่ะมีลูกชาย2คนเหมือนกันพอโตขึ้นมาคนน้องก็ติดยาตามพี่นะคะตอนเด็กๆตอนที่แม่เลิกกับพ่อเพราะว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุขาเสียไปข้างหนึ่งคนที่หนีออกจากบ้านไปอยู่วัดแล้วก็ไม่กลับมาอีกคนน้องช่วยแม่ขายส้มตําด้วยการกระเดียดไปขายตามบ้านดีอยู่แล้วแต่ที่สุดก็ไม่พ้นวงจรอุบาตค่ะก็คือไปร่วมเข้ากับขบวนการค้ายาเสพติดนะคะในที่สุดแม่ก็ต้องผูกคอตาย ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะักหัวหน้าครอบครัวเป็นข้าราชการระดับสูงของจังหวัดค่ะฐานะทางครอบครัวเนี่ยถือว่าดีลูกเป็นชายล้วน4ี่คนรอดไปสองคนอีกสองคนหลังเนี่ยไปตายอยู่ในคุกแล้วปรากฏว่าในตอนหลังแม่บ้านซึ่งไม่ใช่สาวแล้วก็ไม่รู้ว่าตันหากลับหรือเพราะเหตุใดก็เลยหนีตามหนุ่มรุ่นน้องไปกลายเป็นครอบครัวแตกพอยิงตัวตายเป็นที่อึกระทึกครึกโครมทั้งเมืองนี่เป็นเพียงชุมชนใกล้กันสองชุมชนที่เกิดเรื่องอย่างนี้ ส่วนด้านหลังโรงเรียนนะคะเมื่อมองจากชั้น2ของอาคารทางหน้าต่างห้องป .4 มีบ้านของน้องสาวพระผู้ใหญ่ในวัดปลูกคร่อมกำแพงด้านนอกเมืองพระท่านนี้ก็มีปัญหาทางร่างกายนอกจากท่านออกจากกระตุง้งกระติ้งแล้วก็ระหองระแหงกับพระผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งมีการใส่คล้ายกันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาว่าพระวัดนี้ทะเลาะเบาะแหวงกัน ในที่สุดค่ะก็ต้องนิมนต์พระจากวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสพระตุ้งติ้งก็ศึกลาเพศไปส่วนพระอีกรูปทําใจอยู่เป็นพระจนมรณะในผ้าเหลืองนะคะตรงทางขึ้นไปบ้านของน้องสาวพระตุ้งติ้งนี้เองวันพุธวันนึงก็เป็นวันพัฒนาวาดัดพัฒนาโรงเรียนนักเรียนก็ต้องติดเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นพวกมีดจอบเสียมมาจากบ้านผมเป็นคนคุมนักเรียนป๔ถากถางหญ้าด้านหลังโรงเรียน เด็กชายทรงซึ่งผมรู้ทีหลังว่าแอบขึ้นไปเล่นบนกำแพงเมืองตรงนั้นชาว บ, บ้านคนหนึ่งชื่อตาจันไปสร้างห้างเพื่อเก็บฟางแห้งเอาไว้ให้วัวควายกินบ้านแกอยู่ฝั่งโรงเรียนตรงที่แกปลูกห้างนั้นเป็นเชิงเทินกำแพงตรงบ้านแกแกะก็ถือสิทธิ์ว่าตรงนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ได้เหมือนแกเป็นเจ้าของก็ไปปรับเป็นที่ราบปลูกแตงโมแตงไทยเอาไว้ไม่น้อยเลย เด็กชายทรงกับเพื่อนนอกจากจะไปกินแตงของแกแล้วก็เอาแตงของแกมาปาเล่นกันแล้วตดจันก็จับได้ว่าขโมยไข่ไก่ของแกที่มันเป็นไข่ไก่ไปไข่ยอยู่กองฟางของแกแล้วแกก็เคยมาฟ้องด้วยวันนั้นเด็กชายทรงกับเพื่อนก็แอบหนีขึ้นไปอีกตดจันไม่ได้ฟ้องแต่แกดอดไปเองเพื่อจะจับเด็กขโมย เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะแกพบกับเด็กจริงๆแต่ภาพที่ปรากฏออกมาก็คือเด็กชายทรงเนี่ยถือพระยาวสำหรับหวด้าไล่ฟันแกจากเชิงเทินกำแพงที่แกยึดครองอยู่วิ่งหน้าตาตื่นส่งเสียงโวยวายมาทางกลุ่มเด็กในโรงเรียนครูช่วยด้วยครูไอ้ทรงมันเป็นบ้ามันจะฆ่าผมแกร้องเสียงดังเหมือนจะโดนฆ่าจริงๆครูของโรงเรียนนี่หันไปมองค่ะก็เห็นวิ่งหน้าซี่ตรงมา ทั้งหลังตาจันรก็มีเด็กชายทรงเนื้อพร้าวิ่งตามมาหน้าตาท่าทางเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดปกติแกก็ตัวโของอยู่แล้วแต่คุณครูกลับเห็นว่าแกตัวใหญ่กว่าเดิมอีกดูเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ทรงโขงธรรมดาผมยกมือห้ามไว้หยุดนะทรงครูบอกให้หยุดเด็กชายทรงหยุดจรงิงแต่กลับตาขวางจ้องไปที่ตาจันทแล้วก็ผมสลับกันผมขนลุกสู้อย่างนึกประหลาดใจเพราะเสียงของเด็กเปลี่ยนไปกูจะแช่งซ้ําไอ้คนบ้านนี้เมืองนี้ กูจะไม่ให้มันได้ดิบได้ดีไอ้พวกอั ป, ปรีเนระคุณไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษทรงผมพูดเสียงดังกูไม่ใช่ไ อ, อ้ทรงเสียงห้าวใหญ่ตะคอกทันทีกูคือทรงพูดจบแล้วก็โงนเงินก่อนจะล้มลงเสียงห้าวนั้นจับความได้นะคะว่ากูขอแช่งพวกมึงให้ชิบหายทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึง ผมรีบเข้าไปประคองทรงให้ลุกขึ้นนั่งเขย่าตัวให้รู้สึกเด็กชายงวงเงียในที่สุดก็หน้าตื่นตาจันแอบมองทรงอย่างหวัดหวาดทรงบอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าทําอะไรไปกับตจันแ ก, แกบอกว่าเด็กชายทรงตอนที่แกย่องไปเพื่อจะจับตัวนั้นกําลังหันหลังให้เมื่อแกจับหมับที่แขนเข้าทรงก็หันควับกลับมาทันทีพร้อมกับเนื้อพรตะตาจันเห็นถนัดว่าหน้าเด็กเนี่ยเปื้อไปด้วยเลือด ตาปนแล้วก็แดงจัดเหมือนถ่านไฟเหนือปากมีหนวดเฟิรมอ้าปากเห็นฟันแดงด้วยเลือดเท่านั้นละค่ะแกปล่อยมือวิ่งแทบไม่ทันเมื่อได้ยินเสียงห้าวดุดันนั้นพูดว่ากูจะแช่งพวกมึงให้ตกนรกหมกไหมกูจะฆ่ามึงเป็นคนต่อไป นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นเกิดขึ้นที่ริมกำแพงเมืองที่เหลือแต่ซากนะคะโดยคุณครูวิษณุนะคะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันประจําวันนี้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังและนี่คือเรื่องพิเศษที่บีหยิบมาฝากคุณผู้ฟังเวลาอาจจะน้อยนิดนึงนะคะได้แค่10นาทีเท่านั้นเวลาหมดแล้วละค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยพบกันใน คลิปต่อไปนะคะติดตามกันดูว่าบีจะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ